ผูทัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัสนิยนสนทนาค่ะสัสนิยนาคพงดำเนินรายการประมาฮาไพบุญอภิปุโน่พ่วงนวยการหลักสูตรหลีกเล่นวัดป่าดอนไฮโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะมา ส, สนทน า, ทารมกันในรายการนี้เพื่อที่จะให้ท่านได้ประโยชน์นเต็มที่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอจะได้ทําให้การเริ่มต้นของวันท่านนั้นได้กุศลติดตัวกันไปตั้งแต่เช้า เป็นแนวทางที่จะปฏิบัติในทุกๆเวลาค่ะเรามาพบกับท่านพบูลเพื่อที่จะได้เริ่มต้นการปฏิบัติธรรมก่อนไปฟังการสนทนานะคะนมสักการค่ะทัางคะเชบอลเรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันสักเล็กน้อยโดยการที่ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราลมหายใจนี้เป็นเครื่องมือที่ดีเพราะว่ามันอยู่กับเราทุกที่เลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามโดยให้เรามาสังเกต ดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกยังเป็นธรรมชาติเรารับรู้ถึงจับัดของลมได้ที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงหรือว่ากะเกณฑ์ลงไปว่าเออมันต้องเท่านี้มิลลิเมตรนะจากปลายจมูกเข้ามามีพื้นที่เท่านี้ตารางมิลลิเมตรหรือว่าเป็นรูปวงกลมหรือสามเหลี่ยมอย่างไรเน่ไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เอาเป็นประมาณเฉยๆคำว่าเาเป็นประมาณเฉยๆนี่ก็คือ เรารับรู้ได้ที่ไหนเอามันตรงนั้นแหละแต่ซึ่งอตรงนี้ตำแหน่งที่เราพูดถึงที่เราจะมารับรู้ถึงลมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าปาริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นก็คือในโพรงจ ม, มูกนั่นเองเรารับรู้ถึงสัมผัสแต่ซึ่งในโพรงจ ม, มูกของเราเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อต่างๆที่มีความละเอียดอ่อนอยู่ลมที่ผ่านไปผ่านมามันโดนกระทบตัวเราอย่างนี้ เราก็จะรับรู้ถึงสัมผัสได้แต่มันเคลื่อนเข้าไปในโพรงจมูกกระทบเนื้อเยื่อต่างๆเหล่านี้เราก็จะรับรู้ถึงสัมผัสนั้นได้ซึ่งสัมผัสนี้แต่ละคนแต่ละท่านในแต่ละวันในแต่ละครั้งแต่ละคราวก็จะมีความแตกต่างกันด้วยเห็นได้ชัดเจนบ้างเห็นได้แผ่วเบาบ้างและซึ่งถ้าเรามาสังเกตดูดีๆมันก็จะมีอยู่ไม่ว่ามันจะเบาขนาดไหนก็ตามแบบสังเกตดูตรงนี้ให้ดีแล้วเราเอาจิตเนี่ยตั้งไว้ตรงนั้น แต่การสังเกตดูตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการบังคับไม่ใช่ว่าเป็นการขู่เข็นให้จิตมาอย่าไปคิดนั่นคิดนี่ให้มาบังคับอยู่ตรงนี้ไม่ใช่บังคับอย่างนั้นเพราะว่าการบังคับแล้วมันจะทําให้เราปวดหัวปวดในระหว่างคิวแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตของเราไปตามความคิดนึกนั่นนี่โน่อนอย่าให้เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีความคิดนึกนั่นนี่โน่นขึ้นมาก็อย่าให้ลืมลงลมหายใจการที่เราไม่ลืมลงลมหายใจในขณะที่มีความคิดต่างๆอยู่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ เรารักษาสติไว้อยู่ละพระบุตรเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่ผูกสัตว์นจะเอางูจระเข่นกหรือว่าลิงมาผูกไว้กับเสาเวลาที่มันจะพยายามที่จะดึงหนีกลับไปที่อยู่ที่อาศัยของมันเนี่ยเวลาที่มันดึงเนี่ยถ้าเชือกยังไม่ขาดถ้าบอกว่าเสายังตั้งมั่นคงอยู่ได้ก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่เรามีความคิดนึกได้ยินเสียงมีความรู้สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ลืมหลงหลมหายใจไปด้วย ในขณะที่เรามีความคิดนึกต่างๆเราก็รู้ลงไปด้วยชื่อว่าสัตว์เหล่านั้นมาจะวิ่งไปพยายามดึงไปแต่เชือกมันก็ยังผูกอยู่แล้เราฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้สัตว์พวกนี้ดึงไปดึงไปเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเหมือนอย่างเวลาที่เรามารู้ความคิดในขณะเดียวกันก็รู้ลงมามากใจไปด้วยฝึกไปทําไปอย่างนี้จะทาให้อีกความคิดพวกนี้มันน อ, อนแรงลงเราไม่ต้องไปส่งจิตเพื่อที่จะบงบังคับ ว่าอย่าให้มันคิดอย่าให้มันนึกเพราะว่าการที่เราจะไปบังคับความคิดนึ่งนั้นมันเป็นลักษณะของการส่งจิตออกและความคิดความนึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอ น, นัตตาอยู่แล้วและมีเหต e ุปัจจัยของมันจึงเกิดขึ้นถ้าเหต e ุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีมันดับไปความคิดนึกมันก็ดับไปแต่เราจะไปพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้เจ้าความคิดนึกเหล่านี้ให้เป็นเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ตามใจเราชื่อว่าเราส่งจิตของเราออกไปละแต่เราะนั้นในที่นี้เราไม่ได้ส่งจิตออกไป ให้จิตของเรา น, นั้นมาอยู่กับลมการที่ให้จิตของเรามาอยู Mickey, ่กับลมไม่ออกไปนอกภายในกายของเราให้จิตของเราอยู่ในกายเป็นบ uh ุติชื่อว่าเจริญกายอยากข้าตาสติเป็นบุติชื่อว่าให้สติอยู่ในกายการที่เราตั้งสติไว้ในกายนี้มีคุณประโยชน์หลายอย่างนอกจากทําให้จิตของเรามีสติเกิดขึ้นนอกจากทําให้มีสมาธิแล้วยังเป็นเครื่องอยู่ของจิตและจิตเนี่ยถ้ามันไม่มีที่อยู่ มันจะวิ่งไปนู่นนี่นั่นทั่วไปหมดเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆแต่เหมือนกับคนที่เขาไม่มีบ้านเนี่ยนะถ้าก็จะไปอยู่ตามที่นั่นที่นี่ที่โ น, น้นมันก็อยู่ไม่เป็นสุขหรือว่าถ้าเราไปทํางานตอนเช้าเย็นกลับมาบ้านหรือไปต่างจังหวัด2อสาวันกลับมาบ้านบ้างเนกลับมาถึงบ้านมาที่อยู่ของเราแล้วก็จะมีความสุขมีความสบายใจเหมือนกันในที่นี้ให้กายของเราแต่ว่าเจาะจงลงมาที่ลมหายใจนี่แหละเป็นที่อยู่ของจิต บางทีจิตมันไปเที่ยวคิดไปเที่ยวรู้อารมณ์ไปเที่ยวไปในความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้บานที่มันลืมหลงลมหายใจใบแต่เรารู้ว่าจิตของเราเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเราก็ให้จิตขอเรากลับมาอยู่ที่บ้านคําว่าที่อยู่ของจิตนั้นก็คือวิหารธรรมนั่นเองวิหารนี้ก็คือหมายถึงที่อยู่แต่ธรรมะมันเป็นเรื่องอยู่วิหารธรรมนี้ก็คืออนาปานสติก็คือกายแยกตาสติและให้ลมหายใจนี่แหละเป็นที่อยู่ของจิต ที่อยู่ของจิตแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่อยู่ที่พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นี่แต่เราพระอรันทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านต่างๆเหล่านี้ก็มีที่อยู่เหมือนกับที่เราอยู่ตอนนี้แต่คืออยู่ด้วยลมหายใจอยู่ในกายแต่ไม่ได้จิตไปตามสิ่งอื่นไม่ได้เป็นของสิ่งอื่นแต่มีจิตที่เป็นของตนให้จิตนั้นอยู่ในกายของเราการฝึกให้จิตอยู่ในกายมีที่อยู่เป็นวิหารธรรมอย่างนี้และทำได้ตลอดทั้งวันในระหว่างวันเองเราขับรถ เราขับเรือเราไปที่ไหนให้จิตของเราอยู่ในกายให้จิตของเราอยู่ในกายพื่อในการที่จะทําอยู่อย่างนี้จิตเราก็จะค่อยมีพลังขึ้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสงบมีความดีมีธรรมะอยู่ในใจได้เจริญปานสาธุค่ะนะคะก็ค่อยๆทากันไปแล้วก็พยายามที่จะทําบ่อยๆอืมถ้ามีเพื่อนทําก็ดีเหมือนกันค่ะยันเห็นบางกลุ่มเนี่ยเขาจะคุยกันอืม ว่าในกิจกรรมแต่ละวันได้พยายามฝึกให้สติอยู่กับกายอย่างไรกันบ้างอืมอมใช่อันนี้อันนี้ก็ต้องมีมีความบาลานซ์ให้เหมาะสมนะความบาลานซ์ให้เหมาะสมคือพระพุทธเจ า, าเขาจะเน้นเรื่องของการอยู่รีกรนอันนี้ก็ใช่ในขณะเดียวกันก็ยังสั่งให้พระเนี่ยมาประชุมกันทุก15วันมาเจอเจอหมู่คณะบ้างอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นความเหมาะสมตัว น, นี้เราคงจะต้องดูให้ดีแต่ว่า<ม>เออทำด้วยการเออดี บางทีก็ต้องมีแยกกันไปทําก็ต้องมีบางอ๋อขอพี่ท่านโทษค่ะดิฉันหมายความว่าแยกกันทำนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีประสบการณ์ร่วมกันที่ตั้งใจทําในสิ่งนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าทําอย่างไรอ่าใช่ใ่เช่ชนบางคนก็จะเล่าถึงการทํางานบ้านนะคะแล้วเจริญสติอย่างไรบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเรานั่งไม่ได้อ่ะสมาธิแต่สิ่งที่ทําก็คือจะทํากับการรู้ อิยาบถต่างๆอตลอดเวลาให้ได้มากที่สุดเป็นต้นนะค ะ, ะท่านคะมีคําถามของคุณสิริพรมาค่ะเจมั น, บ อ, นบอกว่าถามเรื่องอวิชชาก่อนที่ดิฉันจะถามคําถามคุณของคุณสิริพรก็เลยอยากจะกราบเรียนถามถึงคําอธิบายของคําว่าอาวิชชาก่อนเลยได้ไหมคะได้ อ, อะไรออวิชชาคือศัพท์อธิบายแล้วคืออ่านี่คือไม่ใช่ไหม วิชาก็คือความรู้อวิชชาก็คือความไม่รู้ใ่ความไม่รู้ทีนี้ไอ้คำนี้เป็นเป็นเทอร์มที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้คือคือท่านยกเทอมนี้ขึ้นมาท่านยกคําศัพท์นี้ขึ้นมาแล้วท่านก็อธิบายด้วยว่าคําว่าอวิชชาเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ก็คือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรคือไม่รู้ในอริยสัจสีไม่รู้ว่าทุกมันเป็นงนี้ไม่รู้ว่าเหตุเกิดทุกเป็นงนี้ความดับไม่เหลือของทุกอยงนี้แต่นั้นให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเป็นอย่างนี้ คือไมอ่รู้ในระยะ ส, สั้นสี่ในการไม่รู้ในระยะสั้นสีเนี่ยก็เรียกว่าอาวิชาหรือหรือถ้าเราจะพูดอีกแง่มุมหนึ่งนะอีกแง่มุมหนึ่งก็คือความไม่รู้ในเรื่องธรรมะอทั้งหมดนะคุณไม่เข้าใจธรรมะคุณไม่รู้ธรรมะอันนี้คืออวิชชาจะพูดอย่างนี้ก็ได้พูดสั้นๆภาษาบ้านเรานะเพราะงั้นถ้าดิฉันจะถามคําถามเกี่ยวกับอวิชชาต่อไปก็ถือว่าปูพื้นฐานให้กับท่านฟังที่ไม่เคยทราบมาก่อน ได้บ้างแล้วนะคะได้ๆถูกต้องคุณสิริพรถามว่าอาวิชชาเนี่ยเราจะดับอย่างไรต้องกระทำศักประมาณเท่าใดาจึงเรียกว่าดับอวิชชาแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเวลานี้อวิชชาที่มีในจิตของเราได้ดับลงหรือทุเลาเบาบางลงาหากเราปฏิบัติแบบไม่มีเพื่อนสองไม่มีคำพูดในความคิดอันนี้ ดีฉันถามครึ่งเดียวกนะ่อนได้ไหมครับได้ถามคร uh> um> ึ่งท uh um ี่ผ่านมาก่อนว่าอจะดับได้อย่างไรทําเท่าไหร่ถึงเรียกว่าดับและจะทราบได้อย่างไรว่าดับไปแล้วเบาไปแล้วหรือยังค่ะตัวนี้เป็นคําถามเดียวกันกับที่มีภิกษุในสมัยพุทธกาลไปถามพระพุทธเจ้าเลยนะภิกษุรูปนี้เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่หนออวิชชาจึงจะดับไปแล้วก็ตามอย่างนี้ถามสองรอบถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าตอบคําถามนี้ คุณโยมติวตอบว่าก็เมื่อวิชาเกิดขึ้นนั่นแหละอวิชาจึงจะดับไปแต่คนต่อบนี้คือเมื่อวิชาคือความรู้เกิดขึ้นอวิชาก็จะดับไปเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่า เ, เราจะดับอวิชาได้ยังไงคําตอบก็คือคุณก็ทําวิชาให้เกิดขึ้นสิคุณก็ทําวิชาให้เกิดขึ้นสิเอาแล้ววิชาเนี่ยมันคืออะไรก็คือความรู้ในอริยสัจ4ี่ไงคําคถามต่อไปก็คือว่าแล้ว เ, เราจะมารู้วเราจะมาเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ได้ยังไง อะไรที่เรา <Okay. S 1> จําได้วัตทุสมุทรไทยนี่รอมมากเนี่ยมันรู้มันเข้าใจแล้วหรือยังแต่เพราะว่าบางคนจะบอกว่าจะเข้าใจเหรอคุณไม่ใช่เราเอาแค่จาได้เฉยจําจอริยสัจได้ไม่ใช่เป็นคนรู้ <Okay. S 1> อริยสัจเนื่องจากนี้การที่เราจะทําวิชาให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้เหตุปัจจัยที่ทําให้วิชาเกิดขึ้นได้ก็คือทําโพชงทั้ง7อันนี้เราจะไล่ไปเป็นตามลําดับนะเขาถามมาว่าอวิชชาจะดับไปทําได้ยังไง คำตอบของคําถามนี้ก็คือก็ทําวิจัยให้เกิดขึ้นสิเอาแล้วจะทําวิจัยให้เกิดขึ้นได้อย่างไงคําตอบของคําถามนี้ก็คือทําโพชฌงเจ็ให้เกิดขึ้นสิเอาแล้วทีนี้แล้วโพชฌงเจ็เป็นคืออะไรใช่ปะ <Okay. S 1> เราก็มาอธิบายกันสักนิดนึงนะโพชฌงคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมมี7อย่างไนะล่มาอันแรกก็คือสตินะสติสัมโพชฌงะสติที่เป็นองค์ธรรในการตรัสรูนะ้คือไม่ใช่ว่าสติที่คุณเอามาใช้ในการงาน หรือสติทั่วไปที่คุณมาคอยเพ่งเล็งสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่สติที่จะเอามาใช้ในการที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ธรรมก็จึงใช้คําว่าสติสัมโพชงทีนี้นี่สติคือข้อที่1 2. ธรรมวิจยะนั่นคือการใครใ้ครวนพิจารณาธรรมแตการใครใ้ครวนพิจารณาธรรมนันก็คือให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นได้ยังไงเพราะว่าคนที่มีสติเนี่ยจิตของเขาจะไม่ได้วิ่งเข้าไปหาสิ่งที่น่าพอใจชอบใจ แจิตของเขาจะไม่ได้ขยกักขย้งเกลียดชังไปในสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ชอบใจ่การที่จิตเป็นอย่างนี้คือตั้งสติไว้แล้วนะไม่วิ่งเข้าหาสิ่งที่ชอบไม่วิ่งหนีสิ่งที่ไม่ชอบเขาก็จะเห็นสิ่งนั้นได้ตามที่เป็นจริงก็จะเกิดการใคร่ครวญทำตรง น, นี้คือธรรมวิจยะสัมโพชงมันก็จะเป็นไปตามลําดับกันมากแต่ <Okay. S 1> พอเรามีการใกล้ค ร, รวญเห็นธรรมด้วยปัญญาแล้วลักษณะการทำอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําให้กุศลธรรมมันเกิดขึ้นการทําอกุศลธรรมให้มันลดลง กุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมที่ลดลงการกระทธรตรงนี้เขาเรียกว่าสัมมาวายมะเป็นการกระทธรความเพียรที่เราเป็นวิริยะสัมโพชงอันนี้ก็ยจะเป็นข้อที่3ของโพชงทั้ง7นะคือวิริยะสัมโพชงพอคนที่เขามีการทําจริงแน่แนจรงิงทําไปทําไปจิตใจเขาก็จะมีอกุศลธรรมลดลงมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะมีความสบายใจแต่ความสบายใจความมีเมิบใจตรงนี้คือปีตินั่นเอง ก็จะเป็นปีติสัมโพชงนี่ก็ที่4เวลาที่เรามีความมีเบื่อใจความสบายใจแล้วหัวใจของเรามันก็จะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบจากภายนอกอการที่ไม่ห ว, วั่นไหวมีความสงบระงับสิ่งใดมากระทบก็นิ่งเย็นอยู่ได้ตัวนี้คือความสงบระงับเป็นไปทางกายด้วยเป็นไปทางจิต ด, ด้วยแต่ก็เรียกว่าความสงบระงับที่เรียกว่าปัจธิแต่เป็นปัจต e. ิสัมโพชงนี้คือข้อที่5จิตของคนที่ไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งภายนอก อันนี้ก็เป็นจิต ท, ที่เป็นอารมณ์มันเดียวอันนี้ก็เป็นสมาธิด้วยและเป็นสมาธิสัมโพชงและเวลาที่เราจิตเป็นอารมณ์มันเดียวเราใจจดจ่ออยู่ตรงนี้มีอะไรมากระทบเราก็วางเฉยได้ความวางเฉยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชงเดีพยวชงทั้งเก็เกิดเป็นตามกระบวนการจากอะไรข้อแรกเลยคือสติเพราะฉะนั้นในคําถามที่บอกว่าเราจะทําไงให้อวิชชาดับไปก็ต้องตอบว่าทําทวิชาให้เกิดขึ้นสิ อาจจะทํำไงให้วิชาเกิดขึ้นเอาคุณก็ต้องเจริญโพชฌงเจตสิอาแล้วจะทำไงให้โพชฌงเจตเกิดขึ้นไอหัวมันน่ะหัวมันตอนแรกก็คือสติปัฏฐานนั่นอเองเพราะฉะนั้นในคําถามที่บอกว่าอาจจะทํำไงให้โพชฌงเกิดขึ้นก็จเจริญสติปัฏฐานสิเอาแล้วจะทําไงถึงจะเจริญสติปัฏฐานได้ทํายังไงเร้ถึงจะตั้งสติได้ทำไงเร้ถึงจะไม่ลืมหลงลงหมหายใจทํำไงเร้ถึงจะเอาเป็นผู้ที่มีใจมาจดจ่ออยู่กับลมได้ในเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเจริญสติได้นี่นะ คุยมติมันจะมีอยู่5 6ข้อนะคื อ, อ เ, คเช่นข้อที่1คุณฟังทำอยู่เรื่อยๆไหมอันนี้ช่วยได้ข้อที่2คุณเสพเส น, นาสนะอันสงัดไหมอันนี้ช่วยได้ข้อที่3คุณเป็นผู้ที่มีอาหารน้อยไหมมีท้องอันปร้องอยู่เสมอหรือเปล่าอันนี้ช่วยได้ข้อที่4คุณเป็นผู้ที่มีบริการน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตหรือไม่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายหรือเปล่าอันนี้ช่วยได้ หรือข้อที่5คุณอยู่เสนาสนะปา่าอยู่เสนาสนะอันสงัดอันนี้ช่วยได้สี่หข้อนี้<ม>จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สติของเราเนี่ยตั้งขึ้นได้สติของคุณตั้งขึ้นได้แล้วพ่อชงเจงิญของคุณก็จะเจริญขึ้นพ่อชงเจงิญของคุณเจริญขึ้นแล้ววิชามันก็จะเกิดขึ้นคือความรู้ในธรรมะในเรื่องต่างๆพอเรามีความรู้ธรรมะในเรื่องต่างๆวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชาก็จะค่อยจางคลายไปจะค่อยดับไปตรงนี้นี่คือกระบวนการนั่นเนองเช่ไพอนค่ะ นะคะก็เท่ากับว่าที่คุณสิริพรถามมาว่าจะดับลงได้อย่างไรในะได้รับการอธิบายเรียบร้อยแล้วและถ้าเรามีอาการต่างๆของโพชงเจตเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ถือว่าเราจะทราบได้เป็นตัววัดช่ า, า, า อ, อาวิชาของเราลดลงทีนี้ในส่วนต่อมาของคำถามที่ว่าเป็นการปฏิบัติของคุณสิริพรคือการปฏิบัติแบบไม่มีเพื่อนสองไม่มีคาพูดในความคิด อันนี้ใช่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดพูดชงเจดเหมือนค่ะท่านคะเดี๋ยวใหม่ก่อนคือคำว่าไม่มีเพื่อน2เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความ ค, คิดนะคือบางคนคิดว่าเวลาฉันนั่งหลับตาไปตุ้มเนี่ใช่ไหมโอ้โหความคิดอะไรก็ไม่รู้แบบร้อยแปโผล่ขึ้นมาวุบวับวุบ ว, บวับทั้งเสียงทั้งภาพทั้งคำพูดอะไรต่างๆในคิดว่าแบบเรามีเพื่อน2 อ, อันนั้นไม่ใช่ ค, ความคิดเนี่ยไม่ใช่เพื่อน2ของบุคคลนั้นเพื่อน2นี่คือตันหานี่ยบูจาให้นิยา ม, มาไว้นะ ตันหาเนี่ยคือเพื่อนสองของบุคคลนั้นไม่ใช่ความคิดความคิดไม่ใช่ตันหาความคิดเนี่ยเป็นขันห้านะความคิดเนี่ยเป็นสัญญาและความหมายรู้เป็นวิตกเป็นสัญญาพวกเนี่ยเป็นขันห้าขันห้าไม่ใช่ตันหาคำการเข้าใจนิดหนึ่งก่อนขันห้าคือขันห้านะความยึดถือในขันห้านี่ต่างหากหรือว่าตันหาค่ะก็เท่ากับว่า คำถามของคุณสิริพรในส่วนที่บอกว่าหากเราปฏิบัติแบบไม่มีเพื่อนสอนไม่มีคําพูดในความคิดเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าคําพูดในความคิดเป็นเรื่องของตันห า, าจริงๆแล้วไม่ไ<ป>ใชจ่จริงๆไม่ใช่นะคะค่ะและตันหาในที่นี้ไม่ใช่ตันหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศซึ่งคนมักจะเข้าใจอย่างนั้นในภาษาของโลกถูกไหมคะอไม่ใช่ อ, อธิบายก่อนอ <laughs> เป็นเรื่องที่แปลว่าความอยากดิฉันใช้คํานี้ได้ไหมคะ เคยคโนท่านจับฟาวเวลาพูดคาว่าอยากะคะ่ะความทยานอยากในความทยานอยากกิจตัณหาใช่ค่ะนะคะทีนี้คุณสิริพรก็เลยถามว่าถ้าปฏิบัติแบบไม่มีเพื่อนสองไม่มีคำพูดในความคิดท่านพิบูลอธิบายไปส่วนหนึ่งแล้วเธอถามต่อไปนะคะว่าต่อไปต้องทำอะไรต่อคะอนั่งมองดูการเกิดดับของรูปนามแล้วก็คิดขึ้นมาบางครั้งว่านี่ใครดูอยู่แต่พอนึกถึงหนึ่งในนิวรณ์ห้าก็เลิกสงสัยไป ถัดนี่ไปต้องทําอะไรคะท่านอืมโอเคเาไม่เข้าใจเลยค่ะเอาตรงนี้ก็ว่าเพื่อนสอนนี้นิดหนึ่งเพิ่มเติมนิดหนึ่งก่อนน ะ, ะที่อาจมาบอกว่ามันไม่ใช่ความคิดนะความคิดก็คือความคิดอันนี้เป็นส่วนของขันห้าแต่ว่าเพื่อนสอนนี่คือความตยานอยากคือตัณหาใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าในทางตรงกงันข้ามแต่คือบางคนคิดว่าไอ้ความคิดเนี่ยเป็นเพื่อนสองอ่ะไม่ใช่แต่ถ้าลักษณะว่าไม่มีความคิดเลยแบบนั่งสมาธิแล้วนิ่งไปเลยใช่ปะ ความคิดนึกแม้ภาพแม้เสียงอะไรไม่มีเงียบกริบนิ่งไปเลยเนี่ยคุณอาจจะมีเพื่อนสองก็ได้นะเอออาจจะมีเพื่อนสองก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าไอา้ความ <ไง S 1> นิ่งเย็นแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเรามีความยึดถือในอารมณ์นั้นคุณมีความยึดถือในอารมณ์เนี่ยว่าโอ้โหนี่มันสุขจังเลยนี่มันเย็นจังเลยนี่มันนิ่งจังเลยหรือเป็นสมาธิแบบชนิดที่ไม่มีความคิดเลยเนี่ยเป็นฌานที่สองอขึ้นไปแล้วเนี่ยชอ บ, ชอบนั้น เลิดเพลินในสิ่งนั้นยินดีในสิ่งนั้นแม้ไม่มีความคิด ก, ก็ตามนะก็ถือว่ามีเพื่อน <ทะ S 1> สองนะเพราะอะไรเพราะความยึดถือเนี่ยแหละความตัณหาทยานอยากนี่แหละเป็นเพื่อนสองไงมันทําให้สิ่งนั้นเป็นตัวเราทาให้เรามีในสิ่งนั้นให้สิ่งนั้นเป็นของเราให้เรามีมีในสิ่งนั้นให้สิ่งนั้นเป็นตัวเราเราก็เหมือนกับเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เหมือนเป็นเรามันจึงเป็น2ตัวขึ้นมาอันนี้คือตัณหา <ทะ S 1> มันเป็นตัวเชื่อม แต่นามันเป็นช่างเชื่อมช่างผู้ปลูกเรือนพระพุทธเจาชัยคำนี้ในช่างผู้ปลูกเรือนที่มักเชื่อมสิ่งต่างๆให้เป็นตัวเราเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราเรในสิ่งนั้นไอสมาธินั่นแหละก็จึงแบบถูกยึดถือว่าเป็นตัวฉันสมาธิที่ไม่มีความคิดนั่นแหละแม้ไม่มีความคิดก็ยังมีเพื่อนสองได้ถ้าถ้ า, <S 2> <S 2> าอันนี้เพื่อนจะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนนะ <S 2> <S 2> ว่าคําว่าเพื่อนสอนนี้หมายถึงการที่มีช่างเชื่อมคือตระหนาไปเที่ยวเชื่อม ให้ตัวเราจริงของเราเป็นจริงนั้นสิ่งนี้สิ่งที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆคือความคิดแต่ถึงแม้ไม่มีความคิดก็มีเพื่อน2ได้นี้ผ่านไปนะผ่านไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรากําลังพูดถึงอะไรเนี่เร า, ากําลังพูดถึงมัคคือวิธีการปฏิบัติเนี่ยที่คุณสิริพรพูดมาเนี่ยเพื่อน2คือตัณหาคือสมุทัยใช่ไหยไอ้ความคิดเนี่ย<ม>คือทุกนะอะไรยังไม่ได้มีส่วนไหนที่พูดถึงเรื่องของมัคเลยเนีเพราะฉะนั้นที่ว่าต้องทำเนี่ยคือเรื่องของมัคนั่นเอง ที่ว่าต้องทำเนี่ยคือการตั้งสตินั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือทําสมาธิาให้เกิดขึ้นสมาธินั้นจะเป็นความคิดก็ได้สมาธิแบบที่มีความคิดก็มีนะคุณโยมติวนะเช่นเรื่องของความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติเบีย้ยบเนี่ยใ น, นความคิดแล้วมีปิติมีประมดเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสมาธิที่มีความคิดหรือสมาธิที่ไม่มีความคิดก็มีเราก็ทําสมาธิให้เกิดขึ้นพอทําสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วจิตที่เป็นอารมณ์เดียวตรงเนี้ยอันนี้คือสิ ก็คือพูดงา่ายคือทำมรคแปให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทํามรคแปดให้เกิดขึ้นเนี่ยคือหนึ่ง ก, ก, ก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อ ง, อ ง, องของธรรมะก่อนคือมีสัมมาทิฏฐิก่อนแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรือรอร่องของธรรมะเช่นว่าการพึ่งตนพึ่งธรรมการที่ไม่ได้ไปเชื่อเรื่อง ง, งมงายคิดว่าอ้อนวอนขอร้องการเข้าใจเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเรื่องความเป็นนตาความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยที่เหมาะสม ดีงามเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิแต่คือความเห็นที่ถูกต้องแต่พอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเอ้เราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหม centimet? รู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีรู้ว่าอันนี้การพูดนี้ไม่ดีนะการกระทำอันนี้ทางกายไม่ดีนะความคิดนี้ทางใจเนี่ยไม่ดีนะรู้ว่าอันนี้เป็นมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะใช่ไหมเรารู้ว่าอันนี้มันดีนะคื อ, อ น, นี่เป็นการพูดที่ดีคิดดีทดําดีแล้วเราก็ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็มาทําสิ่งที่ดีเนี่ย อันนี้คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาชีวะสัมมาพวกนี้มันก็เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเรามาตั้งสติของเราไว้ก็เป็นสัมมาสติมีสัมมาวายามาด้วยแ ล, แล้วไอ้พวกนี้ถ้าแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิแต่จิตเป็น1ขึ้นมาอย่างนี้มรรคแก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในลักษณะการเกิดขึ้นของมรรคแที่คุณจิรพรถามมาเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะมีความคิดก็ได้ไมันอาจจะไม่มีความคิดก็ได้เราก็ต้องเจริญมรรคแอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าถ้าเราทําสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยเราตั้งสติให้ดีอย่าไปเพลินในสมาธินั้นนนี่คือสําคัญนะพอเรา <Okay. S 1> ตั้งสติให้ดีไม่เพลินไปในสมาธินั้นสมาธินั้นมันก็จะมีเหตุมีปัจจัยของมันมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ก็เมื่อเหตุปัจจัยนั้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันจะดับไปหายไปก็เมื่อเหตุปัจจัยของสมาธินั้นมันดับไปหายไปให้เรามีสติตั้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปบังคับสิ่งใด ไม่ต้องไปพยายามที่จะพิจารณาแยกแยะอะไรแบบนั้นก็ได้แตนะให้ตั้งสติเอาไว้อันนี้ก็ชื่อว่าเจริญมรรคแปอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ที่บอกว่าถ้ามีความคิดนึกขึ้นมานะความคิดนึกขึ้นมาอันเนี้ยเราก็เห็นตามเหตุปัจจัยเลยเห็นด้วยปัญญาเลยว่าอ๋อความคิดนึงมันมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วคือแทนที่จะไปคิดตามความคิดนั้นแต่ให้เราเห็นด้วยปัญญาว่าอ๋อนี่ไงมันมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้ น, นมันจะเกิด เห็นปัจจัยมันดับไปมันก็ดับไปเห็นความไม่เที่ยงตรงเนี้ยอันนี้คือที่เราต้องเห็นตรงนี้เทำไงถึงจะเห็นก็ตั้งสติเอาไว้คือถึงจะรู้ได้จับมันได้แต่จะไม่ได้ไปตามในความคิดนั้นค่ ะ, คะอะท่านคะเท่ากับว่าท่านบอกว่าไอ้ที่ต้องทําอะไรต่อเนี่ยก็คือดูตามที่เป็นจริงไปถูกไหมคะอ่าใช่ตั้งสติไว้เห็นตามที่เป็นจริงใช่ค่ะทีนี้ในส่วนที่คุณสิริพรพูดว่านั่งมองดูการเกิดดับของรูปนามเนี่ยอันนี้ก็ถือว่า เห็นตามที่เป็นจริงถูกไหมคะแสดงว่าคุณสิริพรเนี่ยได้เห็นว่ามีการเกิดมีการดับของรูปนามไหมคะเออถ้าเขาจะเห็นได้ก็ต้องตั้งสติขึ้นไงเขาจะเห็นได้ต้องตั้งสติขึ้นนะนะคะแล้วก็บอกว่าในขณะที่นั่งดูการเกิดดับของรูปนามสมมุติว่าอ่าอันนั้นคือการตั้งสติได้ละสังเกต ด, ดูตามที่เป็นจริงว่ารูปนามมีการเกิดดับแต่พอนึก อ่าแล้วก็คิดขึ้นมาบางครั้งว่านี่ใครดูอยู่แต่พอนึกถึงหนึ่งในนิวรณ์ห้าก็เลิกสงสัยไปอันนี้หมายความว่าอะไรกรับเข้ามาก็ไม่แน่ใจ ค, คือคือในความคิดกอนมาคิดว่างี้ว่าคือบางทีเรามีความคิดที่เป็นคำพูดขึ้นมาว่าเอนี่ใครมาดูอยู่เนะพอความคิดที่เป็นคำพูดนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นลันกษณะของคําถามก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นวิจิกิจฉาหรือเปล่าเนะี่ยมันมันจ ะ, ะไม่คนละเรื่องกันเพราะวิจิกิจฉานี่คือความเคลือบแคลงเห็นแย้ง ซึ่งจะออกมาเป็นรูปแบบของแบบถามแบบเอาเรื่องอ่ะถามหาเรื่องถามเพื่อแบบจะจี้หาจุดผิดเนี่ยเป็นแบบแบบลักษณะแบบภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า skepticism คือแบบถามจี้หาจุดผิดแต่ว่าถ้าเรามีคำถามที่เกี่ยวกวับธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจได้อันนี้มันไม่ใช่วิจิกิิชาเพราะฉะนั้นถ้าจะเหมาว่าคำถามต้องหมดเป็นวิจิกิชไม่ใช่ค่ะอ๋อก็เท่ากับว่าที่คุณศิริพรเกิดความคิดในขณะ ดูการเกิดดับของรูปว่าใครดูอยู่อันนี้ก็ไม่ผิดถูกไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่อ่าเป็นคำถามเพื่อที่จะให้เกิดธรรมวิจยะเออใช่ใครควระคะใช้คำนี้ดีมากเลยคือธรรมาวิจยะคือการใคร่ครวญธรรมนะว่าเอั น, นี้เป็นอะไรเราแยกแยะออกมาแล้วสิ่งเนี้ยเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมในผ่านนะมันจะเป็นคนล ะ, ะทาง ก, กันกับวิจิกิจฉา วิจิการิชายนี่ทําให้เกิด ค, ความเคลือบแคลงเหยียดแย้งเป็นลักษณะของอรรถรสแต่ถามแล้วเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพานอันนี้เป็นลักษณะของธรรมวิจยัยที่คุณหยบติว่าเนี่ยนะค่ะท่นคแล้วถัดจากนี้ไปต้องทําอะไรคะคุณสิริพรถามต่อค่ะมาร์กนี่ก็ไว้ให้เดินเดี๋ยวเรามาถนนที่ถูกเส้นทางแล้วเดีวก็เดินไปตามถ น, นนนี้นั่นเองเต็มที่เลยเหยียบเต็มสปีดเท่าที่เราไปได้เรามาถูกทางแล้วก็ไปตามทางนี้นั่นเอง มาถูกทางแล้วทําต่อไปให้เกิดความคล่องแคล่วชํานาญก้าวหน้าใช่มีอีกข้อครับท่านคะอบอกว่านิมนต์พระอาจารย์เมตตาตอบสิทธิ์ด้วยว่าอะไรคือช่องว่างในที่ทับแคบค่ะอันนี้ก็มาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าถ้าเราจะกลับมาดูที่พุทธพจน์ดูที่แม่บทดีกว่าแล้ดูที่แม่บทของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงเรื่องนิพพานอย่างเงี้ยนะ ท่านก็จะบอกว่าเป็นที่ที่ดินน้ำไฟลมไม่อย่างลงได้เป็นที่ที่ความมืดความสว่างก็ไม่มีในดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่อย่างลงได้แต่ความมืดก็ไม่ปรากฏอย่างเี้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะเป็นที่อะไรที่มันเป็นที่ที่จะมีช่องว่างอยู่เงี้ยมันมันก็ไม่ใช่เพราะว่าความว่างก็ไม่ปรากฏความว่างก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกลับมาที่บทเรียนชนะที่ถูกต้องเราก็ถ้จะพูดถึงเรื่องของนิพาน ก็คือความดับไก้ที่ที่ดินน้ำไฟลมจะไม่อย่างลงได้คือถ้าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยคุณคุณลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งใช่ไหมคุณจมติวลากเส้นขึ้นมา<อ>เนี่ยถ้าคุณ ซ, ซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปเนี่ยเส้นนั้นก็คือจุดที่มาต่อต่อกันเส้นนั้นก็คือจุดที่มาต่อต่อกันเพราะในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าถ้าเราซูมเข้าไปแล้วไอ้เส้นที่มาต่อต่อกันเนี่ยเราเห็นว่ามันแยกออกจากกันแล้วอ๋อตรงนี้คือช่องว่างเนี่ยมันก็ยังเป็นดินน้ำไฟลมอยู่่ะมันก็ยังเป็นรููปออย่่ะ ก็ใช่ไหมเราก็ยังจะไม่พ้นไปจากรูปไปได้เราะเพราะฉะนั้นในคําพูดที่ว่าช่องว่างในที่แคบอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะแต่ถ้า <S 2> <S 2> <S คุณจะอาความหมายว่านิพพานเนี่ยนิพพานนี่คือพวกนี้จะอย่างลงไม่ได้เลยความว่างความเล็กความใหญ่ถ้าไม่มีเล็กไม่มีใหญ่มันจะมีความว่างมีความเต็มขึ้นได้ไงมันก็จะไม่มีแตต่อให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเขาปฏินิพพานด้วยอนุ ป, ปาทถิเศ ส, สานิพพานธาตุเนี่ย ความเต็มขึ้นหรือความพร่องลงไปของนิพพานก็จะไม่ได้ปรากฏดังนั้นไอ้ความว่างความมีอยู่มันมันจะไม่มีมันมันจะไม่ใช่นะ <Okay. S 1> นนค่ะเจนพรค่ะอท่านเข้าเวลายังเหลือนะคะถึง อ, อยากจะกลับเดินถามท่านถึงประสบการณ์ที่เพิ่งที่คุยกับน้องคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มก็บอกว่าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยผมเพิ่งไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกแล้วก็มีประสบการณ์ เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเห็นมีดวงกลมเกิดขึ้นกลางตัว น, นะคะแล้วก็ลอยขึ้นมาใกล้ๆจมูกบอกชัดเจนมากเลยอื <c oughs> คืออะไรนนะคะท่นะมันก็จะเป็นอารมณ์หรือเป็นเป็นเป็นนิมิตเอาพวกอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าเขารับรู้ได้เนี่ยนะคือเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของเขาแต่เป็นเครื่องหมายของเขาซึ่งนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิเนี่ยก็มีได้หลายแบบ เช่นว่าบางคนก็จะเย็นไปบางคนก็จะเป็นแสงสว่างขึ้นมาตัวพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์ก็เล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์นั่งสมาธิก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่บางทีก็เย็นไปบางทีก็เหมือนกับวางลงไปอันนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราทําสมาธิแตประเด็น <c oughs> ตรงนี้คือถ้าเราจะพยายามตีความนิมิตเนี่ยมันก็จะไปได้หลายแนวนะเพราะว่านิมิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของขันห้า และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดับไปได้ตามเป็นตามปัจจัยประเด็นที่สําคัญก็คือว่าไอพวกนิมิตต่างๆที่มาเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งแต่เป็นการปรุงแต่งทางกายบ้างเช่นจะบอเราเอ็นตัวโน้มตัวไปข้างหน้าหรือมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายก็เป็นการปรุงแต่งทางกายแต่ถ้าเป็นลักษณะของแสงอย่างนี้เป็นภาพเป็นเสียงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการปรุงแต่งทางจิตเป็นการปรุงแต่งทางจิตและถ้าเรามีการปฏิบัติที่ดีเนี่ย เรามารู้ดูพระสูตรเนี่ยนะเราจะทราบว่าอ um ๋อคนที inet, ่ม <c oughs> ีการปรุงแต่งทางจิตใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ให้มีสติอยู่ในลมหายใจแล้วก็ทําการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยให้มันระงับลงแประเด็นคือตรงนี้ว่าการที่มีนิมิตเกิดขึ้นแล้วเป็นลักษณะการปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราต้องทําการปรุงแต่งทั้งทางกายก็ตามทั้งทางจิตก็ตามให้มันระงับลงเราจะทําให้มันระงับลงไม่ได้เลยนะถ้าเรายังไปยึดถือมันอยู่ว่านี่มันอะไรนี่มันอะไรมันหมายความว่ายังไงเราจะทําให้มันระงับลง เราจะวางสิ่งนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเห็นนิมิตนั้นความรู้สึกนั้นแสงนั้นเสียงนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของอัเป็นอนั ต, ตาเนี่ยเราจะวางมันได้เราจะนําสิ่งนั้นให้ระ ง, งับลงไปได้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราจะมีขึ้นได้นะตามกระบวนการของอนาปนานสติยัน่อนก็ ค, ค, คือว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิที่มองเห็นในลักษณะที่ทีฉันได้เล่าให้ท่านฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิด ถูกเกว่าเป็นนิมิต<ช>หรือว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตถูกต้องอแล้วก็การปรุงแต่งนั้นประสบการณ์ของแต่ละคนก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแตกตาก่ตกตางกันไปแตกต่างกันไปแต่สรุปรวมแล้วเรียกเป็นอย่างเดียวกันว่าการปรุงแต่งของจิตถูกต้องซึ่งถ้าจะให้ถูกต้องอย่าเพลินไปกับเขา อใช่ไหมคะตแล้มีสติต้องมีสติในการปรุงแต่งเกิดขึ้นนั้นฮะแล้วต้องทําให้ระงับถูกต้องถ้าเป็นตามคําสอนของพระศาสดาดังนั้นเนี่ยดิฉันว่าส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยเห็นแล้วพอมามีการรู้สึกได้หรือว่าได้เห็นในสมาธิมันก็ตื่นเต้นนะคะท่านคะเป็นเรื่องแบบหวือหวาขึ้นมาละอะไรอะไรนี้แสดงว่ายังยึดถือในสิ่งนั้นอยู่ก็อาจจะไม่ทราบว่าจะต้องทําต่อไปอย่างไรก็ขอให้รู้ว่า ไม่ผิดแต่ไม่ต้องไปเพลิดเพลินกับเขาให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าจะเป็นไปตามหลักอริยศาสตร์ถูกไหมคะเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปใช่ต า, ตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยถ้าจะให้สมาธิก้าวหน้าก็ต้องมีสติแล้วก็ทําให้ระ ง, งับเสียเชิญบอกลับมานั่งสมาธิต่อไปอย่างเดิมถูกไหมคะใช่ทั้งสติ <ใน S 1> ไว้อย่างเดิมดี๋ฉันเข้าใจมากเลยแล้วในคนที่ยังไม่เคยเห็นบางทีก็บอกว่าจะปรุงแต่งยังไงก็แล้วแต่ถึงจะต้องระงับ ไปในที่สุดทําให้ระงับไปในที่สุดก็ขอมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างไม่งั้นคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องไม่ต้องขอก็มีได้ไหมคะเพราะบางคนบอกว่านั่งมาตั้งนานก็ไม่เห็นอะไรเลยแปลว่าคนพวกนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในสมาธิเลยไหมคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันออกมาในรูปแบบหลายๆอย่างอยเช่นบางทีรเรามีความรู้สึกเย็นลงไปคืออาจจะไม่ได้หมือวาเหมือนคนอื่นที่เป็นแสงเป็นภาพอะไรอย่างงี้ หรือว่าเแค่ว่าเราเห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในใจของเราอันนี้เป็นการปรุงแต่งของจิตหมดเลยแต่ซึ่งมันต้องมีแน่นอนแต่มันทีเราวางไปได้โดยอัตโนมัติไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะไม่มีปัญหายิ่งคิดว่ามีความกระจ่างขึ้นกับหลายๆคนทีเดียวนะคะว่าอ๋อนึกว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการปรุงแต่ ง, ตงทางจิตกับคนอื่นที่แท้ก็มีแต่มีในลักษณะที่คล้ายกับจะไม่มีอือเข้าใจเฉลยปัญญาก็ค่ะวันนี้เวลาไล่หลังมาอีกแล้วคะ่ะท่านคะ่ะ คิดว่าก็ได้ประโยชน์กันไปมากพอดูทีเดียวนะคะขอขอบคุณคุณสิริพรที่ถามคําถามมาให้พวกเราที่แตกยอดคําถามเกิดความรู้ขึ้นมาอีกแล้วก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านภับูรณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะเยี่ยมมนมันส ก, การค่ะค่ะท่านฟังที่คราค่ะและนั่นก็คือพระมหาภัยบูรณ์อภิปุนโนนะคะซึ่งท่านทํางานหนักมากเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหลีกเล่นด้วยเผยแพ่ธรรมะผ่านทางสื่อหลายช่องทาง รวมทั้งรายการของเราด้วยนำ้ำตการขอพระคุณท่านอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งพวกเราโชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากท่านและถ้าใครสนใจจะไปฝึกปฏิบัติเล็กเล่นก็โน่นเลยค่ะวัดป่าดอนหายโซจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่ที่นั่นที่วัดที่มีหลวงพ่อดออรสะอาดนะคะเป็นเจ้าอาวาสค่ะวันนี้ดิฉันต้องลาท่านฟังกันไปทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอรกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกวันพระหัสสบดีและวันศุกร์ มาพบกับดิฉันได้ใหม่ส่วนท่านไปบูล น, นั้นพบกับท่านได้เลยตั้งแต่วันจันทร์ที่นี่เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันสรรเสริญนาคพงลาไปก่อนนะคะพุทธ ว, วัสดีค่ะ